เอานั่งให้สบายจะบอกวิธีรักษาใจไม่ต้องประนมมือนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับียบก็ได้บอกวันนี้ตไปไม่คิดอะไรหรอกวันนี้จะรักษาใจให้เป็นบุญพูดภาษาบ้านเราจะบอกวิธีให้ทำไปเลยเลยเอาวางกายสบายวางใจสบายตากลับเสียให้นึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจต่อจากนั้นให้นึกถึงคณของท่าน เนื้อพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆเนพืพุธทธพุทโธมาอหูก็ไปฟังตาจ้องมองดูนะเราจะทานความคิดไม่คิดเราเคยคิดมาตั้งแต่เกิดมาพอแรงไม่เอ็มไม่พอวันนี้ทานความคิดนมาคิดมานึกเอามานึกเรียกใจมาจากนารกจากเปจากสัตว์คนกับเอา นึกพุทโธพุทโธผูกไว้อสติเป็นเครื่องผูกโดยตรงนั้นไอ้ไคิดไว้วไปบ้านมเมืองทานเสีอนรกกับเอาเปรตกับเอาสัตว์กับเอาคนกับเอาไม่คิดว่าเป็นคนหัดใจนึกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาไปโ่ยตรงนั้นหัดใจเป็นเทวดาทานความคิดเราเราคิดไปทั้งทุกข์ก็ทุกข์แบบนี้มานึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนะ น, นึกเร็วๆเข้าก็ได้โดยตงนั้นโดยตรงนั้นหัดรักษา แล้วถ้าใครนดกพุโทโธได้แล้วหัดหยุดคิดเลยไม่คิดอะไรยิง่งดีถ้านี่ถ้ามันนึกพุโทโธไม่ได้คิดว่าเจ็บว่ปวดว่าเมื่อยพยายามดึงเข้ามามาดึง ม, มันยังไม่อยู่อยู่ว่ายังคิดไปนอนไปนี่ว่านี้สอนเจ้าของเขาว่าเขาเจ็บเขาวปวดเขาเมือม่อยเขามีไว้เขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นมาเองโทษเจ้าของเลยว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้ร่างกายมายืมเขา อ, อยู่ที่ พูดภาษากรรมะฐานก้วนโลค ก, ก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้อีางท้า น, นก้อนธรรมธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นวันนี้จะไปอยู่กับมันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าเบื้องโน้ตั้งนโมถ้าน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมอย่างไรมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธห้าข้อเพิ่นให้ละเว้นได้เป็นที่อยู่ของใจไม่ใช่อ้อนวอนได้จะไปอ้อนวอ น, วอนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยทำไมเป็นที่อยู่ของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายเบื้องโน้เขาสร้างห้องแอร์ห้องพัดหลมได้ ไอ้สิ่งหลายอย่างาาบ้านี้เราจะไปบ้านี้เราสร้างสวรรค์ก็ได้ทําใจเป็นสวรรค์นะพุทโธุทโเป็นเทวดาเพลิดเพลินไปไหนไม่เว้มีภัยตายก็ไปอยู่สวรรค์มาเป็นคนก็มาทุกมายากขัดละคนอยู่ตรงนั้นหัดรักษาหัดรักษาไว้ออกไปรักษาเหมือนเราทํางานทํางานก็ได้เงินออันนี้รักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขอย่าว่าประพฤติ ธ, ธรมพวกเราเรียนจบแล้วมาทํางานเอาเงิน เอาเงินมารักษาร่างกายผูต้องอธิบายเนี่เปลี่ยนจากเงินเองอันนี้มารักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขแบบนู้นเราเว้นโทษห้าขอจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ห้าข้อเป็นโทษไม่ใส่ศีลเมื่อเราเว้นโทษเราประใจปกเกิเกิดเคลื่นขึ้นมาบอาว่ามีทรัพย์มีความสุขทำงานก็ได้เงินแต่เป็นบางคนก็นมาทุกข์มายากบนี้ยเ อ, อยายไปคนทานคนส่งคืนซะหมด ดาวนึกพธโธพุธโธใจเป็นเทวดาขึ้นมาเหมือนพวกเรานี่มีความรูก้กระไดเงินหลายอันนี้ดูที่ไหนก็นึกพุธโธพุธโทโธเป็นสวรรค์เลยตายก็ไปเป็นสุญญ์สวรรค์นี่ไปไหนเรียนมีไฟได้แค่นี้ก็ออยังดีสารความคิดเรื่องทุกเรื่องอยากเราคิดไปหมดอไม่ดูตรง น, นั้นตั้งแต่เกิดไม่ยิ่มไม่พออันนี้ขี่แกียจคิ ด, คดทานกลางเพศนึกเอาอ่านึกนึกพุโทพธโทพธโทพธโพโธพโธพวกเราเว้ยเรานูเดียงจบจะมาทํางาน ต่างความรู้คนมีความรู้อะไรก็ได้เงินหลายเหมือนกัทําอยู่ห้องแอร์ซึ่มได้เงินก็มีความรู้ทํางานเอาเงินไม่ใช่เอางานหยุดเอางา น, นเอาเงินมารักษาร่างกายให้อยู่ได้สบายแท่งหน่อยอันนี้ว่ารักษาใจให้เป็นบุญคือความถูกเว้ยเรื่งเราเว้นโทษฮะก็เป็นมนุษย์อุรมสมบูรณ์มันเป็นโทษอมันเป็นคนกระทุกแบบ น, นี้เดาวจะไปคิดไปคนเป็นเถวด่าดิตายกันไปอยู่สวรรค์อายุหลายล้านปีเท่านั้น ต่อไปทานความคิดได้อย่างดีให้ทําเป็นทานหยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นพระบุญเต็มหมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องบันอันนี้เราให้ทําเป็นฐานพละการให้สังผูมอันแจกหนังสือไม่ใช่ทำำาําตําราตัวทําคือความคิดเราคิดไปทางคุกศนธรรมคิดไปทางดีอกุศลธรรมบาปนั่นคือใบโนเราบา่ายนี่หัดมานักพุถุพุทโธเป็นกุศลบันนี้หยุดเนี่งทานหมด ให้ทําเป็นฐามหยุดไม่คิดบุญเต็มหยุดได้เลยบุญเต็มเท่านั้นแต่มันยากแค่ได้พุ้โทผู้โธก็ยังเป็นต่อๆนั่นหัดเอาเนี่ยฮัดรักษาใจไปเชื่อฝรั่งฝรหลังไม่มีใจมีตต่กายมันจะหาเสื้องข้า ง, งก็ย้อนมาสะดวกสบายหมดเพราะวันมันวัดมาได้เลยนันวัดไม่ได้ต้องรู้เองต่องนั่นฮัทรักษาหัทรักษาบอกวิธีวันนี้เราก็คิดเอง ถ้าถามร่างกายไม่พอใจสุขไม่ทุกข์เราคิดไม่เป็นเถ้ามันยึดพุทโธบาได้หยุดบาได้มาสอนเจ้าของโอ้ธรรมะเขาเป็นอย่างนั้นบบเนี้ยสอนให้เรารู้ว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเพื่อจะได้วางเลยถ้าเรานึกพุทโธพุทโธได้วางกายได้เลยใจเป็นธรรมดาดึงเข้ามาด้วยมาจากไหนที่เราคิดไปทังทุกข์นรกเนื่องจากนรกมาเป็นเป็ดมาเป็นเป็ดมาเป็นสัตว์มาเป็นคนก็ว่าจะมาปวดบันนี้เราจะไม่เป็นคน ไ, ไปไหนนึกพุกโธพุโธหลวงปูพันไว้ใจเป็นเทวดาได้ทําอะไรสําเ ร, ร็จรู้ล่วงใาก็ไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทําบาปตกนรกก็ได้บ่บาปได้หัดบาปนี้ไปขค่นี้แค่นี้ก็ยังดีต่อไปได้พุโธพุโธแล้วหัดหยุดปุ๊บเนาหยุดคิดให้คิดบ้าเอาหยุดได้ ใ, ใจสะอาดอย่า ว, ว่าสมาธิอยววา่านวลไว้นี่ว่าอะไรรักษาได้เหมือนกันหมดเขาเปรียบเทียบเหมือนกขาสร้างอาคารให้รู้ความกันกันมา เขาแล้วมันได้เสร็จได้งั้นหลายอันนี้ใจรวมหัวสายรวมปู่มันว่าใจรวมว่าใจชั่งหกไปเดียวกันว่าใจบริสุทธิ์ผุดฟองเขาเปรียบเทียบเหมือนทองคําบริสุทธิ์ผุดฟองว่าใจสะอาเกลียดตะลู่ยุดเหนือตะลู่นั่นเราจริงๆพอหยุดได้พุทธถูยุดตรงนี้เราคิดทุกข์ก็ทุกคิดดีกไม่คิดหมดเรื่องเหมือนเราวางของอยู่นี่ไปหาอยู่ประเทศนอกมันก็ไปเห็นอันนี้ใจเราคิดหยุดเท่านี้แล้ว ย่อไปย่อมาบมูนูเราคิดว่าจะประปวนกระทุกนึกพุทโธพุทธลองดูหมดเลถ้ายึดไม่คิดพุทธโธเราอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนพุทธโธเลยอเราอยู่ตรงนี้เราคิดไปทังทุกข์กระทุกคิดไปทั้งเกดีไม่คิดหมดเรื่องอันนี้เราให้ทําเป็นฐานว่าสชำระใจสะอาดฟองใสเปรียบเทียบเหมือนร่างกายชมระภายนอกบมู่นูอาศัยน้นสนาสบู่พัดเจตัวแส่พอได้เอาความสะอาดภายนอกใจสะอาดเป็นยังไงคนมารู้ได้ ก็ยุดไม่ข e. ึ้นเดือะรู้ไม่ใช่หลับได้อันนั้นแหละใจสะอาดเดือะรู้เดียวนะทําเมื่อไรเราว่าเราก็ได้เราหามายู่เหรมาจิพวกเรายังนี้มาอยู่ในคนเลยไปอยู ifik, ่ในมดในยุงก็ได้ไปเป็นเป็นสัตว์ก็ได้เพราะนั้นหัดรักษาอย่าว่าไปนี่ไปนี่คือไม่เกิดบทเรื่องถ้าตายไปตายไปเกิดเลยไปสวรรค์ไปรูณประมไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเป็ดนรกเรานโลกพระที่ไปฉันไปอยู่นั้นทําไง ไม่เบืรักษาเลยอเป่ามาได้รักษาก่ อ, อนจะคิดต้องพิจารณาเสก่ขข อ, อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมไม่ดีไม่คิดร่างกายต้องดูเสกีก่อนนอนก็ต้องดูให้นอนไฟก็เบานอนให้กินไฟก็ไม่เกินเนี่ยอันนี้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียหม ด, โ ด, โดมันจะโกรธเนื้อผดโตเลยถ้า ห, หยุดบอได้ต่อไปมันเป็นน่ยมันจะโกรธไม่โกรธมันจะเครียดไม่เครียดมันจะคิดไม่คิดหยุดปั๊บได้ดีเน่ยเราไปต่อไปผรู้เหมือนมือเราเนี่ยจ้างให้จับไฟก็เอาเลย อันนี้ใจเหมือนกันเมื่อโดยถุกเราเป็นผู้คิดเราจ้างคิดปรทังทุกข์แม่ก็ไม่คิดคิดไปเรื่อง ก, การงานก็นหยุดเป็นถึงหยดบาเป็นอย่างเอาพุโธพุทโธเลยใจไปเทวดาเลยนอนอยู่กระจูยสวรรค์บอกวิธีให้อยู่ตรงนั้นรักษาไว้นี้ออกที่นี่ไปเกิดที่บดีแก้บุได้เลยตอนนี้แก้ไคเจ้าของน่านลบ ก, กับแม่เอาแไปกับเอาสัตว์กับเอาคนกับเอา เอาอย่างน้อยไปสวรรค์เนี่ยนึกพุกโธโธโธเพิดเพลินอันนี้รับไปไม่เกิดเข้ามาคิดว่าว่างมาเย็นอารมปรพุมถ้ายุดไม่คิดใจเป็นพระก็ได้ห่ือทำอะไรใจก็ได้ไม่เกิดบทเรื่องหมดลมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องเอาข้อนี้พานว่าไปในพานไม่ใช่ได้เขาสมมตินในพานคือไม่เกิดอีกสมมตตายต้องไปเกิดพูดภาษาบรรลุใจไม่ได้ตายปัญหาไม่ให้เกิดไป มาเกิดที่ดีอย th ่างน้อยเป็นเทวดาลูกพรพมมาเกิดเป็นคนก็ทุกข์ลำบากเอยคนนึงเหมือัตล็กสารวันนี้เราไปไหนอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนแม่ไปไหนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิ่เพิ่งเป็นนะที่อยู่เหมืบางตั้งน้ำโมน้ำโมก็น้อมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็น้อมยัไงมันจะโกรธนนึกพุทโธไม่จะเกรียดนึกพุทโธเป็นที่อยู่ของใจจะก่อนสติผูกเถ้าหยุดเป็นแเราบองนึกพุทโธดิหยุดปั๊บต้องการคิดไหลคิดไปเลยหยุดปั๊บเลย อ่าดอตรงนั้นหยุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีมันเป็นยานเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดทุกถึงทุกอย่างถ้าเราหยุดเป็นไม่ใช่หลับด้์ตัวหลับมันมึนง่วงได้ตัวเราหลับตัวเราหลับใจไม่ได้หลับด้ใจมันไปผุดไปตกนรกผุดได้ไปไม่ไปพบน้อยพบใหญ่ตื่นขึ้นมาเรียบเอาขึ้นมาบางคนเราขึ้นมาไม่เป็นตื่นมาวุ่นวายยตื่นขึ้นมาตัวเราเสียได้ยบไปเรียบเอาขึ้นมาแล้วพูทโธพูทโธพุทโธได้มันก็ดีนะเป็นเทวดาเระวัง ตอนเรานอนในใจบ่ได้นอนนี่คูบาลาจพันเชื่อภาวนาทั้งวันทั้งคืนกูก็จะไปเกิดอีกภาวนาจิตชงบก็หยุดไม่คิดอาวะจิตสงบไปได้ใจเราเชิตรวมไปได้สายญาณมันวิเชิดรวมเนี่ยนี่แยกแยกเชิดสมาธิปัญญาบมดวันนูคนไปแยกเลยคนมีปัญญาจึงรักษาศีลได้พวกเราพวกเราหัดรักษาคนมีปัญญารอบรู้หมดรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอรู้ทั้งดีทั้งไม่ดนมันก็หมดรอบรู้ อันนี้เราไม่รู้ดลต้องอต้องต้องการความสงบคิดไปแล้วโกรธขึ้นมาก็ like ไม่รู้หรืออันนี้เรารู้แล้วโกรธมันไม่ได้เราไม่โกรธเครียดมันไม่ได้ก็ไม่เครียดมันจะครีดว่าจะใปวดว่าะเมื่อยเพาหิวก็ไม่คิดหยดนิ่งหเฉยๆต่อไปตัวไปตัวโย่ตัวหยดนี่แต่ความรู้ความสลาดไอ้พูดภาษาบานเราต่อไปมันเป็นยานมันจะรู้บมดแม้แต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันท่านจะรู้หัวใจคนอย่างนั้นอย่างนี้เลยตัวนี้เรนะครับเลยตัวหลักน่ะมันโง่ ก็าพอรักษาหรือบอกวิธีให้ i, เตรียมตัวไว้ตอนนี้แก้ไขยกของได้ตายไปเกิดจะแก้บ่ได้ดิไปอย man, kingdom, ู่นรกไปอยู่โลกพระเจ้าปัญญาไปเป็นเป็เป็นสัตว์เป็นคนจะลาบากเลยวันนี้แก้ไขยกของไม่เอาคนกับว่เอาอย่างน้อยเลือกเอาเลือกใจสวรรค์เนี่ยใจเทวดาก็นักปุถุกุฏอนักก้อยพ่อสำคัญให้เว้นโทษเสี่ยห้าข้อมันจะไปการสารลักทรัพย์ในการไปโกงไปกินเหล้าเว้นเว้นเน่ะ อ่าเช่นก่อนอันนั้นเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์วันนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นคนไปไหนนะักปู่โตปู่โตเปิดเพลินต่างคนน่ะต่างคนต่างไปได้รักษาบอกวิธีให้อย่าไปลืมอ่าไม่เมือนอันนี้มันลืมยังได้ไปฟังถ้าไม่ลืมไม่ต้องฟังแหละจะตรงนั้นเหมือนเรารักษาร่างกายเป็นบมดฮะักรักษาหรือว่รักษาจใจเป็นบุญด้วยนอนอยู่บ้านก็ได้บุญนอนไปนักพู่โตปูทโตเพื่อมันหายเจ็บหมาปวด มันไม่คิดว่าตำรวดตื่นขึ้นมาเอาเองตอนหลับมันเสียท่าได้จะไปนอนหลับได้กินกับกินเป็นหลายมันให้สํารวมร้วงอยู่บางโน่ร่างกายต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นขี้เกียจนะใจมันขี้เกียจรักษาไม่ได้ไว้ใจว่าเราก็ได้ร่างกายมายืมเขาอยู่ได้กวนโลกโกวนทุกคนเกี้ยเขาจะได้ไหนวัานไหนจะได้เลยหมดบุญกันเหรได้ใครเอาไปด้วยอมาก็มาเรามาใจใจได้บาใสาเขาอยู่ดูเป็ บันไดหัดรักษาเรยนรักษาเตรียมตัวไว้เลีวยวพุ่งป่วยหัดไปหัดไปเรื่อยๆนอนอยู่น้กพุทโธพุทโธเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปเคล็ดว่าเจ็บเ่าป่วยจะไปเคล็ดว่ามีตัวมีตนแม่นน้กพุทโธพุทโธพุทโธต่อเนื่องได้แค่นี้ก็ยังดีได้แป็นข่าถ้าหยุดได้เป็นข้างเป็นข่าวลวปู่ฟังก็ยังดีได้สําหรับครูบาอาจารย์ท่านแก่งให้รักษาทั้งวันทั้งคืนได้กลัวจะไปเกิดะ กินจะพออยู่ได้นอนกับโบให้ตายเพื่อนให้สหบายสัว่าจิตสงกบก็บรู้หยุดเดือแต่รู้ไม่ทุกข์ไปอย่างบอกวิธีให้ไปรักษาเองได้รักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขหว่้ใจว่าเราก็ได้ร่างกายเรารักษาเป็นอนะ่ะเกิดมาเกิดมามดนู่นรักษาตั้งกายกระโบเป็น เ, เฮียนหมดพ่อแม่สอนให้หมดพูดก็ไม่เป็นกินก็ไม่เป็นยิ่งรักษายิางย่งยุ่งยิ่งยากเขานะั้นพระธรรมแสดงให้ดูคือความแก่ความเจ็บความตาย แล้วงปู่ฟันเวลาเรามาเกิดเป็นคนตกนรกสิบเดือนนี่เขาไปอยู่ในท้องแม่ปุ้นนูู้ดภาษาเข้าไปเจ็ใจปุนุูคิดบุนนู้เข้าไปนั่งอยู่ท้องแม่ทุกข์ขนาะไดตกนรกสิบเดือนปุ้นใอ้ควรจะตายทุกข์อีอกวัน น, นี้ควรจะตายเราโพโตโพโตโพโตเปิดเพลินหมดลมหายใจก็ไปอยู่สวรรค์เลยดังนั้นถ้าไม่เกิดยิ่งดีด้หัดหัดรักษาใจว่าขับใจก็ได้ไปถามผู้หญิงขับรถเป็นไหม ได้เลยอันนี้ขับใจบังขับรถเหมือนผู้หญิงก็เป็นให้หยุดกระหยุดให้เร็วก็ะเร็วเรี่ยวไสเรี่ยวคว้าก็ได้ใจก็เหมือนกันเน่ะเออขับเป็นเรื่องทุกเรื่องยากไม่เอาอ่พอให้หยุดก็หยุดปั๊บเลยโดยปัญญาหยุดปั๊บนอนนุ่มขับรถใส่แบกปั๊บเลยตัวนั้นมันขับเป็นอันนี้ขับใจอยู่ของบังคับใจได้บังคับก่อนจะคิดทั้งพิจารณาเสียก่อนเราคิดทางไปดีไหมเรา สก่อนอันนี้อย่าพอใจไม่คิดเลยเจ้าสาวน้ำเหมือนร่างกายเราต้องดูสก่อนใจต้องพิจารณาสก่อนดิเราคิดไปทางนี้ดีไหมเรายังไม่เก่งถ้าไม่เก่งกรอบรู้หมดหมดมันจะไปสร้างคิดไปทาทุกก็ไม่คิดหรอกมันจะคิดไปทางที่ดีอันคนมีปัญญารอบรู้มันมากเหมือนพวกเรามีความรู้มากความรู้มากทํางานก็ได้มากก็ได้เงินหลายอันนี้รักษาใจให้เป็นบุญได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปได้ร่างกายก็มายืมเขาอยู่ดิ เอาประโยชน์จากมันแม่ประโยชนบันเอามาทําร่างกายมาทํางานเอาเงินมารักษามันอีกบัณ น, นี้มาเอาร่างกายมารักษาใจได้บัณฑ์ใจได้คุณได้บุญได้ได้กำไรได้ทักขาดทุนเป็นไงออย่างน้อยเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็ให้เว้นโทษเสี้ห้าข้อมันจะไปข้าสารสรักษาเปิดกรรมไปโคกคกไม่ไปเพราะมันไม่ดีนล้อดได้ก็เป็นมนุษย์อีกก็มันทุกข์ไม่ยากอีกแล้วบัณ น, นี้บางนนเว้นโทษห้ามอนึกพุทโธพุทโธพุทโธ เหมือนพวกเราเนี่ยมโนมาทำงานอยู่ห้องแอร์ได้เงินหลายผู้เขาเป็นใหญ่เขามีความรู้ไหลได้หลายบ่าร้ออันนี้คือานการบุญะถ้าเราจยุดนิ่งบุญเต็มเลยนะบุญมันเต็มเหมือนทางโลกเขาปเป็นงานทํางานเป็นเศรษฐีก็ไม่บุะเขาก็ทํางานเอาในโลกเนี่ยเขามีความรู้เขาก็ได้เงินหลายอันนี้คนมีปัญญามากกระได้บุญมากพูดภาษาบ้านเราเงินนี่ต้องออกจากบ้านมาทํางานบ่าร้องบุญใ น, นรักษานอนอยู่ก็ได้บุญ อยังเปล่าโน่นโน่นโพธิโพธิ์โพธิโพธิกระบนบนขึ้นมาถ้าเราหยุดนิ่งจะรู้วงนโพเทศว่าธรรใจเป็นกลางพ้นทุกข์ก็ถูกความตั้งเป็นกลางไม่อยู่ที่ไหนเหมือนร่างกายเข้าอยู่กลางห้องแอร์เย็นสบายเลยแล้วเข้าเป็นร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกเยิ่งยากก็ถุกวันดิไม่เหมือนใจดิใจรักษาแล้วเท่าไรสุขหมดลมหายใจอย่างน้อยก็ไปสวรรค์เด้นโนพธโพธิโพธิโพธิเป็นเทวดาเปิดเผนถ้าเราหยุดได้อ่าไม่เกิดหมดเรื่อง จุดในทิศให้ทําเป็นทานแต่ละการให้ทำพวงอันนั้นในตัวหนังสือไม่ใช่ทําได้เป็นตําราเลยสองนั้นอันนี้คืออั น, นอันนี้ไม่อันนี้ไม่อั น, นที่ว่าสอนบอกนี่ไม่ใช่ให้ทําได้อนนาจารย์บอกที่ให้ญาติโยมไปรักษาใจให้เป็นบุญได้บอกไม่ได้ไม่ได้ให้ไอบอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญต้องรักษาเองได้อ่าเหมือนเรากินข้าวผมโนกินเองอ่อาติคนอื่นกินไม่ได้นอนกันเหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนพระสงฆ์นี่ก็เป็นจะบอกวิธีให้ไปรักษาใจไม่ใช่ทำให้ไม่ใช่ให้ทําได้บอกวิธีให้ไปรักษาเองพระพทุทธเจ้าให้เชื่อกรรมคือการกระทําทําอะไรได้แต่ น, นั้นไม่ต้องปรารถนาดิเจ้าองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเหมตต์อันนเมตตาเจ้าของมันจะไปข้าวสารรักษาปีน้ไปโหกไปกินเหล้าเหล้าก็เป็นมนุษย์เองบัดนี้มันนักพุทธพุทโธเมตตาเราเะอ่าเราดีขึ้นเอ๊ะใจเป็นเทวดา ถ้าเมตตามากยุดไม่คิดบุญเติมอันนั้นเมตตาตนเมตตาผู้อื่นแล้วตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเ่ะาล้วนั้นไม่ใช่ให้คนวอนให้ผู้นั้นช่วยผู้นี้ช่วยไม่ใช่ไห้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่เป็นที่ละเลึกเสื่อๆพระพุทธเจ้าพระธรรมกระเบือนกันมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเกลียดนึกพุทโธย่ททยอลงมาที่แรกว่าพุทโธธรรมะสังโฆสะกดลงมากับพุทธพระพุทธเจ้าตัดอาารัสรู้พระธรรมปฏิบัต มานึกอพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเข้าไปต่อไปนึกอพุโทโธมาดนหาวิธียุดไม่คิดไม่เนึกเลยจะคิดว่าว่างว่าย็นความเลยอะอันนั้นวารูปพระมอย่ากต่อห น, น้นานี้ยุดไม่คิดถ้าที่ไปให้ทําเป็นฐานสถานการณ์ทักษะบวกให้เดี๋ยวนี้ก็สุขเดี๋ยวนี้แหละสุขรุ่นร่าสุขเดียเด๋ยวนี้รัตตลู่พูดภาษาบาลา น, นันเราทํามนาจัยธรรมด า, รรมาเราว่าใจสะอาดผมใสก็ได้เราเปรียบเทียบ ยอดสองนั้นเมื่อเมือเราสะอาดเป็นไงจับไฟก็เจ็บจับกิ่งก็เบสเจ็บแบแข้งก็เย็นอันนี้เราเราโกรธเราเครียดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์เดือดอ่ะเพราะเงาเฮานอนว่าจะบ้าบวันก็ทุกข์แบบว่านึกพุทโธพุทโธเลือกใจใจไม่ใช่เป็นเทวดาาจะให้รูปกระพรมคิดว่าว่างว่าเย็นใจเป็นพระใจไม่ได้สุดแต่ยึดเดือดรู้ใครรักษาได้เหมือนกันหมดอืไม่เห็นนี่ใครจะไปเห็นใจยึดเดือดรู้ยึดบางเดือดแบบไม่เชื่อ เราคิดว่าจะมาปวดมวาแหว่งหิวไปทดลองมาดูมันก็เลยว่าจะมาปวดลองดูนึกพุทโธพธทโธลองดูบ้างนึกพุทโพุทโธได้ยุดลองดูลองผูกพันมาแล้วเลือกใจนั่งลบ ก, กับเอาแป็ดกับเอาชัดกับเคนก็บเอาเทวดาก็ไปเอารูกผสมกับอย่างน้อยเป็นเทวดาอย่างดีต่อไปเลื่อนมาเป็นอรูกผสมคิด ว, ว่าวางไว้เย็นถ้าเราหยุดได้มันดีลแต่มันยากก็เป็นชสกของง่ายาย่อยหยุดเป็น จออนนั้นยังไม่เป็นได้แค่นี้ก็ยังดีได้โตได้ก็ทําไปทำไ ป, ไปมันรวมหรอตอนนี้ไม่ได้ตอนจะตายจนมันเจ็บไข้ได้ปว่วยหมดนึกปตดปวดบางคนเขาก็าหายแใจไห่เพื่อไม่ได้มันก็นึกได้ถ้าคนมีบุญมากยุดในคิดมันไปรวมอยู่ตอนนั้นรวมรวมตอนก่อนจะตายได้หมดลมหายใจไม่เกิดอีกเขาสมมติเิ็นพานยจะว่าไปบ้านเป็นิพานเป็นบ้านเป็ น, ปนปเมืองได้คือไม่เกิดหมดเรื่องหม ด, หม ด, หมดไม่ต้องรักษาหรือะปล ต่อไปมารองษาเดนี่ต้องรักษาดิพวกเราล่าล ง, ลงกายเราต้องหายใจให้มันต้องกินต้องนั่งต้องนอนจะให้รู้จักประมาณอสองนั้นใจมันควรรักษาว่าใจให้เราก็ได้ว่าตนกระได้อสองนี่นเขาว่าปล่อยวางก็ เ, เปียกเหมือนเมื่อวางของวางแต่ละใจใจเหลือแต่รูด้วยภาษาพันเราว่าใจสะอาดเราหักมาเองมาเกิดไปก็จะไปเองไอ้โชคดีมาเป็นคน่ ถ้าเป็นเป็นมัดเป็นยังทงําให้เป็นเป็ดเป็นผีบ่เนี่ยนี่มาเป็นคนนี่สร้างบุญก็ได้มารักษา ใ, ใจให้เป็นมนุษย์เป็นเทวดารูปรภพไม่เกิดได้สองนั้นอ่าแม่โดยสองนัน้ไปทางโลกมันง่ายดิบนโลกไปกเรเล่าไปฆ่าสัตว์เสีเวทตัวได้ไปตกนรกมันไหมสองนั้นหัดรักษาเลยบ่โดยจากวิธีรักษ า, าไปไหนนกผู้โตผูโ้โตมันจะไปกลัวสองนั้นข้อสําคัญมันจะไปฆ่าสัตว์รักษาพิธการไปโกหกไปกินเล่า มันไม่มีอดเอาก็จะเป็นมนุษย์อารมสมบูรณ์แค่รีก็ยังได้ไดนน้ทานตัวนี้นส่วนทางภายนอกไระต้องว่าหลงเพราะรักษาตัวนี้ได้ก็เป็นมนุษย์อารมสมบูรณ์เว้นโทษห้าห้าเป็นก็บัดนี้อยากเป็นเทวดานะพระโต้งพระโต้พระโตขึ้นมาเป็นเพิดเพลินปัจจุบันก็เพิดเพลินบั ด, ด, ด, ด, ด, ดบนี้ไม่อยากเกิดฮัดหยุดบุณห์หยุดคิดปุณหะทานความคิดยหยุดไม่คิดเหลือแต่รู้ไม่ใช่หลับเดย นี่แต่ความรู้ความดาาพระพุทธเจ้ารักษาได้ล่ะปฏิบัติมายกตอนนั้นเราเกิดมาเป็นคนพ่อบุญเลยเอาเคยไปใจนี่บ่ได้สายมันเกิดสายก็ดสายเราเคยไปตกนรกมาผแรงเลยมาเป็นเฟตมาเป็นสัตว์เพื่อจะได้มาเป็นคนไม่ใช่ขอ ง, ง่ายมาเป็นคนร่างกายเป็นคนมันจะหมดบุญใจมันจะหมดมันจะหมดเลยมันจะไปข่าสัตว์ล่าทรัพย์ปิดในการไปหกไปกินเหล้าไม่ไปอดเอาก็าจะเป็นมนุษย์อโดมสมบูรุนี่มัน หมือในมหัศอดอดทานความคิดความทุขความยากไม่เอานี่ยพุตโตพุตโตพุโตเข้ามาเป็นเทวดาเลยหรือคิดว่าว่างวายนาลูกประพรมก็ยังดีแต่ตรงนั้นถ้าหยดุดไม่คิดไม่เกิดเขอใจเป็นพระขอสมมติเสยใครรักษาได้เหมือนกันเมืเหมือนเงินบอกนุกพรบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีบางคนพวกเราเนี่ยพวกเหลือใสเหลือสอยคนยากจนก็มีหเหรอเงอนเป็นของกลางๆด้วยใครทําได้ก็ทํางานอง อันนี้บุญเหมือนกันบุญนี้แย่งง่ายทําเป็นอยู่ในบ้านในเคร่องบนนู่นเป็นผ้าเป็นเจ้าอยู่ในปา่าในร่มคนดีอเนเดียวยิ่งสวา่ายนอนอยู่นุกพโพโพโธเป็นบุญต่อไปหยุดไม่คิดเพ่นไปเนเอาเข้ามาเอาใจเข้ามาหยุดใจใจไม่ให้อยู่หลวงปู่เทพประทําใจเป็นกลางพ้นทุกข์ถูกความท่านอามากาลประทามจริงๆเข้าสมาธิเดียวกันนะ่ะสมมุติอย่างนั้นอะทําใจเป็นกลางไม่อยู่ที่ไหน เราอยู่กันไหมวะเขาไปเกิดจดี๋ยตอนนั้นหัดรักษาหรือบอกวิธีเงยเตรียมตัวไเฮ้ยสายไปเกิดที่เดีวได้แก้บหได้บยันนี้แก้ไขเจ้าของนั่งลบกับเอาแปรก็ไม่เอาสัตว์กะบเอาคนกะบเอาแวล้งโทษมาน้ตพูดพูดพูพูดพูดสิมคํานี่ยง่ายกว่าหาเงินสมมนิเดี๋ยวตอนนั้นว่านี้หาวิธียุดเดยควา้าเลยวิตกว่าเดี๋ยวตอนนั้นเตรียมตัวไว้หมดตอนนี้มันยังเปีตโน้ตเปรนี้ เคยสอนคนอะบางโนเขาเคยเป็นโรคแมลงมันจะตายจริงจริงพอนักพุรตพรตมันก็ไม่คิดว่าใจปวดปวดอะเพิดเพลินแค่นั่นก็ยังเด้อหมดลมหายใจไปอยู่สวรรค์หลายล้านปีนี่แต่หมดบนมาเกิดเป็นคนอีกทําบาปตกนรกก็เลยมาเป็นคนเราตอนนั้นบางโนูให้ระวังวันนี้หัดรักษาใจเป็นบนนอนอยู่นักพรตพโตเพิดเพลินเนี่ยนะหลับไปตื่นขึ้นเอาอีกเลยเรตอนนั้นเพิดเพลินนี่ไปไหนไม่เป็นไม่ไปเลยไปไปเรื่อยเรื่อยเอยตอนนั้น บอก ว, ว, ว, ว่าคนเขานื้พธทโพธิ์ทองไปไปไม้เขานึกไปหมาก็บเขาดิใจเป็นเทวดาดิมันมาถึงกันได้ไม่ใช่คงอะไรเลยเราเรานอนอยู่ในบ้านก็ตกนรกไปทั้งทุกขทั้งยากบรกรามรู้ว่ามันมันนรกหรือไปเอาเด้อก่อนจะคิดต้องพิจรารณาเสียก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมเจ้าก่อนให้พิจารณาเสียก่อนเรายังบมลูกยังพิจารณาล้วโกรธดีไหมเครี้ยดีไหมคิดว่าจ็บปวดปวดดีไหมไม่ไดีก็ไม่คิด การงานเกิดมากันเขาไม่ได้สุขเลยทุกเลยเกิดมาต้องทํางานทํางานเอาเงินหลวงปู่พันธ์ชอบทํางานทํางานเป็นก็ได้เงินหลายงานเขาไม่ได้สุขเลยทุกเลยร่างกายมันก็แล้วว่ามันเจ็บมันปวดดิเราคิดไ้เป็นดิวันนี้เราคิดเป็นอสศนเจ้าของท่านเนื้พุทโธโอธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเบไอพิจารณาแล้วมันปรอยู่์เองมาอดเอาบไะเนื้อพุทโธเขบอะไรพิจารณามันก็ยังปรอยู่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเฮ้วมันฝึกกําลังใจสู้ซะก่อน เหมืนักมวยนักกีฬาเขาต้องบอกกาลังกายไปกก่อนเฮ้ยยังได้กําลังกายมาอันนี้ออกกําลังกายกำลังใจสู้ทุกได้ร่างกายเนี่ยกวนโรคกวนทุกวักนขี้แล้วอาไปมาบนนู้นเดินกับอะไรยืนกับอะไรนั่งกับอะไรหายใจเบาหรือคนจะทายช่วยบะไรก็ทิ้งนเราไ่รู้ใครเอาไปด้วยอตายแล้วให้ใครก็เอาวันนี้หัดหัดฝึกกาลังใจเรานืกพปุตโตปุตมันวางกายได้เพื่เพลินใจเป็นเทวดามาอดเอาไป ฝึกกำลังใจสู então, earth, ita, pueblo, in mother mother ismus, us, ้ทุกฝึกบนเน้อเป็นโรคมะเรงมันเจ็บมันปวดก็โดดโตเต้นเราไหวดูความเจ็บความปวดก็ทุกข์นี้ม่อดเอาสู้ซะก่อนฝึกกำลังใจเราเลี้ยงหลบมาได้อแต่เราเนื้พุทโธเราหลบได้เหมือนร่างกายหลบแดดหลบฝนได้เอาอดเอาฝึกกำลังใจสู้ทุกอูอสู้ไปสู้มาอยู่นั่นถ้าเราบ่สู้มันมันจะมันปวดไหวกับความเจ็บความปวดก็ไม่ทุกข์เลตายกันไปก่อที่ทุกข์ได้ไปไหมแล้วมาดูตรงนั้น ว่าฝึกกำลังใจก็ได้ถ้าเรานึกผู้โธรได้มันวางกายได้เะย่างกายได้ต่อไปพู้โธรวางพู้โธยึดไม่คิดหมดเรื่องเขาเปรียบเทียบเหมือนมือวางโ น, น่นวางนี่แต่อตานนั้นใจวางกไม่วางไม่คิดไม่คิดอะไรเหลือแต่ลูกเขาเปรียบเทียบใจเราคิดขึ้นมาเองบัดนี้การคิดคือการเกิดเออก่อนจะคิดต้องพิจ า, ารณาเสียก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมร่างกายเราต้องดูสกีกอน จะนอนก็ต้องดูให้นอนไฟกับว่าเอา้ากินไฟกันไม่กินใจเสมือนกันแล้วรูจ้จักโอ้สุขทุกข์เราเป็นผู้คิดสร้างคิดไปทั้งทุกข์มาคิดว่านี่บอกวิธีให้เอาไปเชื่อฝรัง่งฝรั่งโมีใจ ม, มันมันเลยพยหาสร้างจนมันจึงไปรักษาไม่รักษาใจบเราไม่ไม่รูจร้จกักเมื่อเราคนเรารักษาว่าใจว่าเราก็สมมุติเสยมาอยู่ตรงนี้มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตน ไปอยู่ในคนก็ได้ไปอยู่ในนรกก็ได้ไปเป็นเปดตปโน้เป็นเปดเปรตผีไม่อยากินอยากนั่งอยากนอนไม่กิ น, ไ, น, น, น, น, นกมกไม่นั่งในนอนนี่เปรผีเป็นสัตว์เดียร์แนก็มากมายในร่างกายเสื้อโลก ก, กินเรามั น, มนก็ว่าของมันเนี่ยตรงนั้นอั น, นี้แบบพูดภาษาบานเราก้อนโลกโลก้อนทุกข์ก้อนที้ร่างกายวันนี้เราไปไหนจะไปคิดหรือกันมัน ส่งคืนให้มันไอ้ความมันเจ้ามันเป็นธรรมบาตรในเราใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเปิดเผยนึกค่อยๆก็ได้นึกแงแรงก็ได้ไปไหนเมียนมีไัยได้ตายก็ไปอยู่สวรรค์เพื่อไม่คิดว่าเจ็บปวดปวเมื่อยไปหิวน่ะเปิดเผนผูกมันไว้ตรงนี้เหมือนของเราผูกสร้างผูกเสื้อผูกว่าผูกไว้แล้วหัดทํางาน่ะบาตรในหัดเมื่อได้พุทโธพุทโธหัดหยุดไ่โนหัดหยุดคิดบปโนทำงานเมื่อเขาหัดทํางาน ถ้าเราหยุดได้ก็ได้บุญตเคิมคิดไปทั้งที่ดีตอนเราหยุดได้บุญเติมใจเหมือนเดิมเหมือนทางโลกวันหนึ่งเงันต้นกระเป๋า บ, บอกเราบางคนตกวันอยากได้เงินไวปซื้อรถทะเลมันก็ไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทําเอาเกิดมาในโลกนี้อยากได้อะไรทำเอาไม่ใช่อ้อนวนวหลวงสวงแม้ร่างกายก็กินเองนอนเองอาบ น, น้ําเองเนี่ใครช่วยใครบ่ได้ต้องกินเองนอนเองจากตรา น, นั้นอันนี้ก็เหมือนกันเน่ แต่เมตตาให้พระพุทธเจ้าก็เมตตาให้พวกเราเข้าในพานอย่าไปเมตตาหรี่อไม่เมล่าหรี่เลยอยาให้ครูบาอาจารย์ช่วยกระเช้เาเมื่อท่านเป็นบอกวิธีให้เป็นที่ระลึกสวยๆอย่างพระพุทธประธรรมกับเบือกกันมันจะโกรดนึกพุทโธมันจะแกล็ดนึกพุทโธอยู่ตรง น, นั้นย่อลงมาต่อไปเพื่อพุทโธจริงๆหยุดได้พุทธะหรืพุทโธเออเราอยู่ตรงนี้เราคิดทุกข์กับทุกคิดดีก็ ด, ดีไม่คิดหมดเรื่อง กันเอ า, าใจสะอาดจธรรมดาเราบอกวิธีให้พระพุทธเจ้าทำธรรมมาได้คอาจารย์ทั้งเกดนั่นะหลวงปูมันทั้งเกดแบบนั้นน่ะหาย ใ, น ใ, นใจดีรักษาใจเราสองนั้นมีใจดวงเดียวมีธรรมเดียวเราคิดไปทางทุกข์อสัตธรรมบาปคิดไปทางดีกุศลธรรมบุญมาทําทั้งหลายไม่ใช่เราส่งคืนคําหมดเหลือแต่ใจเหลือจะรู้ไม่คิดอะไรหมดเรื่องนะ่ะหมดงมหายใจไม่เกิดหมดเรื่องเลยหมไม่ทุกข์ไม่อยากจะว่าไปนี่ผานนี่ เขาก็สมมุติคือไม่เกิดสมมุติวนันในพานปัญหาเรื่องไปเกิดอยุดเขาตายไปสวรรค์หยุดนูนไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรต น, น, นาลกบ่ต น, นั้นเมื่อรู้หัดรักษาหัดเมืองนู้เราคิดไปทั้งทุกตะลักนาลกทั้งอยากไม่อยากก็เป็นเปรตเป็นผีแหละอยากให้ร่างกายดีก็บไม่อยากให้โรกนี้ดีกับไม่ดีเหรอวันเราสร้างมาแบบนั้นรับแบบนั้น วันนี้มันจะคิดไปทางโน้นนักพรตผู้ตกรถให้มีงานเหมือนพวกเรามีงานมีงานก็ได้เงินตามความรู้ของเยาวความรู้ผู้หญิงก็ทํางานได้บ่หนทํางานห้องแอร์ทั้นี่ได้เงินด่าได้เงินตามความความรู้ว่าทํางานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายบอกวิธีให้วันนี้รักษาใจให้เป็นบุญแม่คือความสุขคือเราว่าเราก็ได้ไว้ใจก็ได้ร่างการนี้ไม่เยืมคอยอยู่ดีพูดภาษาบเราใจออกแล้วให้ใครก็บอเอาเลย คนไปเสริมแต่ร่างกายบนุนนเสริมใจเล่นโทหน้าเอาปุตโตโตเสริมขึ้นมาต่อไปเสริมขึ้นมาก็สวยข้สาธรระใจบริสุทธิ์ฝุดพรหมมีทุกมียากนี่มันมันต้องเสริมอ่ะแล้วแใจเหลือแต่รู้ว่าวิธีนั้นเลยรักษาวจะว่ารักษาใจกร็รักษาเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยทางวิธีไป ร, รักษา เมือนร่างกายเราบนนูนอนอยู่ก็ต้องหายใจให้มันบอเห็นเกียเกียรอะอันนี้ใจเราบนรักษาดี่จะคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปเลยตอนนอนหลับหรือใจบนได้นอนดิใจมันไปพบน้อยพบใหญ่ว่ามัน ไ, ไปหาเกิดดิบางทีตื่นขึ้นมันตกอยู่เมืองนรกผูอกลับคืนยากดเิเหมือนน้าผนวชในเครื่องรองรับรองมาหาเลรเป็นน้ําแกลมใจเรากือบเหมือนกันใจประตกนรกสื่อขึ้นมาพุ่นไหวอยู่นั่นแ่ะกลับมาบวเป็น อันนี้เรารู้จักฟังธรรมได้เรีบกลับมาเอาเข้ามาเนาะพุทโธพุทโธเข้มาอยู่ตรงนั้นถ้าได้รพุทโธก็ดีบาั้นมันเข้ามาอย่ในร่างกายมันห่วงร่างกายมันก็ว่าเจ็บปวดว่าเมื่อยไม่อยู่บาดเนี่บาดเนี่ยอย่าไปคิดแบบนั้นเลยเราไม่รู้จักดิเรามาอยู่ไอ้สิหัดรักษาธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นบัดเนี้หัดรักษาใจไงก็ได้บอกวิธีไงไม่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนน่อยู่ตรงนั้นอย่าหาที่พึ่งทั้งนั้นย่างนี้ด้ เราไปกับพระเห็นนึกพุทโธธรรม ส, สังโพุทโธธรทม ส, สังโฆนึกพุทโธนึกพุทโธพุทธอะไมองดูพระพุทธรูปเน้อฐานทานท่านทุกข์ท่นยากไหมท่านไม่ทุกข์ไม่ยากท่านไม่คิดเลยเราก็ทําได้เหมือนเราหยุดไม่คิดเราดูอันนี้เราใจเราก็เป็นพระขึ้นมาไม่เล่าอย่างเราเพื่อหาวิธีเอาใจเราเข้ามาเลยอย่างา ว, าว่าวาทกวาร์ก็เหมือนกันไม่ใช่พระช่วยเลยเราเป็นที่ระลึกของเราเลยเป็นที่ระลึกที่อยู่เหมือนพวกเราในมีความรู้แล้ว เราเป็ี่ยนยาเอกบไปทํางานมาทํางานไปได้เงินได้ไปเที่ยวไปเล่นก็ยากจนเลยต้องทํางานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายเลยใจมันบ่นรักษาเพราะเราบ่รู้เลยไปเชื่อผร้หลังผร้หลังบ่มีใจาร่างกายนี่มายืมเขาอยู่ดิพูดภาษากรรมาฐานก้อนโรคก้อนทุกข์ก้อนขี่้ห้เชื่อโลก็ทํามาหากินนี่มันว่าของเมามานันให้มารักษาเราเด้อบ่รักษาเราก็อาดเล้นโทษห มันจะไปฆ่าสัตว์รักษาปืดในการไปโกโหกไปกินเหล้าไม่ไปเลยแ่านี้มหาหัดเนื้อพุทโธพุดโธอย่าไปคิดว่ามีตัวนี้ตนน่ะว่าชนะที่อยู่ของใจนี่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มไม่ใช่อ้อนวอ น, อ น, อนเหมือนที่อยู่ของร่างกายบนนู้นก่สร้างอาคารเหมือนคนเมีอกันก็นได้หรอบอกนู้นอาคารทุกอันมีห้องแคนั้นเพื่อคที่อยู่ของร่างกายคามกำลังเงินอันนี้ที่อยู่ของของใจว่า บ, บุญบุญความสุขบุญมากสุขมากบุญมันทํา ถึงไม่เต็มก็ยังดีเนาะพุทโธพุทูนะททถ้าเราหยุดนิ่งบุญต้นทางโนกก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินแล้วตอนนั้นหมดลมหายใจไม่เกิดอีกว่าอย่าว่าไปนิพพานเลยสมมติอนิพพานคือไม่เกิดหมดเรื่องตอนนั้นส่วนมากก็ว่าตายแล้วไปเกิดเราตายแล้วไปเกิดอยู่นั่นนีไปอยู่อรูปภมไปเป็นเทวดาเป็นคนก็ไม่เหมือนกันพวกบุญพระบาปเป็นเป็นสัตว์ยิ่งร่ำบาปอู่นู่น ตัวน้อยๆก็มีแร่างกายเราเป็นสร้างเป็นอะเยี่งลําบากเป็นแพทย์เดี๋ยวอยากกินอยากนั่งนอนไม่กินไม่นั่งเลยนอนมีใจใจนรกก็ไปเดียวในโลกพระนทพอาจาระ์อาการมีรใจาาใจได้อมันทุกข์อยู่นั่นบางทีหลวงปูเหรียญไม่ได้ขึ้นมาหมดบุญดิไม่ใช่ของเราพวกเราก็เคไปตกนรกมาโแรแลงมาเป็นคนเพราะบุญมันนี่มันใจมันจะหมดบุญอะส่วนร่างกายเป็นคนมันนี้อย่าให้มันหมด มันจะหมดขึ้นมันจะไปข้าวสารักทรัพปีในการพุทโธไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ไปไม่ใช่เินห้าให้ไปโทษห้าดิเมื่อเราเว็นโทษใจปกติเย็นเป็นเป็นขินขึ้นมาเก็นขินขึ้นมาเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ขึ้นม า, มาว่าเราเป็นหนทางสู่สวรรค์กัน ง, ง่ายๆเนื้พุโพุโธพุโทโธสองคำเนี่ยเหมือเราทํา ง, งานเป็นเข้าหนีพานรัดเลยเขาเอาเข้ามายุดไม่คิดไม่ใช่ไปเลยยุดไม่คิดเลยมันหมดแล้ เข้ามาไม่อยู่ที่ไหนเราประเทศทำใจเป็นกลางพ้นทุกไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่นหนอยู่กลางๆทำใจเป็นกลางพ้นทุกตรงนั้นหัดหยุดยุดไม่คิดเรียกจะรู้อันนั้นบอกเราเรี่เราพธิ์ได้พุทโธ อ, อันนั้นให้ทำเป็นฐานทนาการให้ท่านพวงทำไม่มีใครรับว่าอาหารใจก็ได้ อ, อาหารใจเรานืกอพุโธพุโทโธหยุดเอ่ยอาหารยุดไมคิดไมเอ่มเอ่ยท นัดเรื่องบุญเต็มบอกวิธีให้รักษาต่างคนต่างรักษาเอามันลืมเนีย่ยไปลืมไหมไปลืมเรื่องตรงนั้นหัดรักษาบัตบอกวิธีให้ก่อนจะคิดต้พิจารณาเสียก่อนเลยเอาเว้เร็วมันมันมันมันเร็วด้มันจะโกรธดีไหมไม่ดีก็ไม่โกรธจะเป็นธรรมรงนั้นต้องพิจารณาเสียก่อนเร็ ว, วอันนี้ปล่อยมันไม่ทันเลยอันนี้โกรธเลยเครีคยด เ, เลยพราะเราเคยปล่อยแบบนั้น เราไม่ดูถึงไม่ระวังรักษาด้วยวันนี้เราก่อนจะคิดตรงพิจรารณาล้วยังไม่เก่งเลยเราจะคิดไปทางนี้ดีไหมจะคิดว่าเจป่วดดีไหมไม่ดีก็อย่าไปคิดเไปเคิดธรรมดาโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นสอนเจา้าของแล้วก็มาหัดนึกพุทโธพุทถ้าอะไรพุโทโธพุโทโธกด็ดีแต่อะไพุโทโธเราหัดหยุดหยุดได้เป็นข้างเป็นคราวก็ดีไม่ใช่หลับได้หยุดคิดเกลี้ยกล่อมตัวเไม่ใช่หลับได้โทวหลับไม่ง้อได้ ตัวหลับมั่โง่ใจได้หลับเฉยเฉยใจใจอวยร่างร่างกายหลับใจใจมันไม่ได้หลับมันไปหาเกิดอยู่เราจะสอนหัดรักษาเรื่องบาดพราบุตรีเนื่องอย่าไปลืมต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปได้ร่างกายมายืมเขาอยู่ได้เขาจะได้ไหนวันไหนหมดบุญเงิดป็ดปากปิดจมูกแล้วเขาคืนดิมายืมเขาอยู่ได้ปัญหาเรื่องไปได้บาดเนี่ยร่างกายเขาไม่ที่สุขไต่ทุกเราก็เห็นไปป่าวจบหลวงปู่มะเรื่องนั้น เสียเงันเสียทงองเพาของประจำโลกนี่เราก็ับมาใจใจเข้าไปอยู่ในท้องแม่พุนุอาศัยเลือดของพ่อแม่ผสมกันเป็นอาศัยอยู่ <damn. S 1> ไปก็ไปไปใจใจห ไ, ไปไหนไปนรกไปเป็นเป็นสัตว์เป็น เ, น เ, น เ, นเนทวดารูปพระพมถ้าไม่เกิดหมดเรื่องไม่ไปไหนเอาใจไม่เกิดหมดเรื่องบ้านี้ไม่คิดตลองดูอคนนี้ต้องถามมาถามปรุงแตง่งอันเะดียวแหละความคิดอะความคิดก็แล้ว อ่าปรแต่งว่าอารมณ์มาได้ก็เปรียบเหมือนลมอ่ความคิดของเราก่อนจะคิดให้พิจารณาสักก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมส่วนร่างกายต้องดูด้วยตาสกก่อนดูไม่เห็นลุมก็ตกหล้มถ้าเห็นอยู่แล้วก็ไม่ตกใจต้องพิจารณาสะกก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดอางทราบนะปัญญาเรายังไม่เก่งถ้าปัญญารอบรู้แต่มันรู้หมดละมันไม่ไปแรอกไม่เรื่องทุกเรื่องยากมันรอบรู้เหมือนร่างกายเราเห็นโน่นเห็นนี่เราไม่ดีก็ไม่ไป อานารย์พุทโธก็สอนพิจาณาเสียก่อนอย่าให้มันคิดเร็วเท่า น, นั้นมันไปนก่อนพิจารณาเสียก่อนไปบระดัด ร, รักษาพิจารณาสอนเจ้าของเสียก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเรานึกพุโทโธพุธโทโธดีไหมกานึกลองดูาบาบเสิยนพุทโธกานึกได้ก็นึกไปมันก็ดีถ้าหยุดได้ยังดีถ้าหยุดมาเร้เนึกพุโทโธบาเลยเราต้องพิจารณาสอนเจ้าของหาวิธี เราทำงานนึกไปได้มันคิดไปทั้งโน้นตอนนี้คิดไปทําไมเรื่องกูเดงหมึม่อจะคิดกูไม่คิดสู้กันแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่กูง่ายเลยกำลังใจว่ากําลังใจอะไรว่าปัญญาก็แล้วกําลังเราไหวพอบนทางโลกเขากําลังกายบนนักมวยนักกีฬาเท่าไหร่กำลังกายอันนี้กําลังใจะเราจะหยุดอะไรถ้าเราหยุดอะไมไม่กาลังเต็มที่ถ้าหยุดไปหาวิซุ่ยสูาเมื่อจะคิดไปคิดเมืจะโกรธไปโกรธเอาไป ย่นอะรพิ่มกำลังว่าบุญก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้ว่าฤทธิ์ก็ได้อืทำอะไรไม่ได้อย่างเหมือนบุญกำลังใจคิดอะไรได้หนังใจเดียวสองนั่นหัดคนทำบาปไม่อยากได้มันก็ได้อีอ่าดียตสองนั่นไม่อยากทุกข์ก็ทุกข์พูดภาษาขอเราว่ารักษาใจเป็นบุญก็ได้ว่าฤทธิ์ก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้อย่าไปติดสมมติเหมือนเขาสมมุติว่าจิตว่างจิตสงบจิตส ม, ตสมาเทศเขาก็ว่า จะนำเราธรรมะใจก็ได้ก็เสมมุติเปรียบเทียบมันไม่เห็นอคือหยุดไม่คิดเรือทะลุเพียอเราเนืกพูทโธพุพุทโเพื่อเพลินเป็นสติผูกไว้หลวงุู่เทศสันสอนเหมือนพวกเราเห็นเหมือนนู้นผูกเขาผูกสร้างผูกกลัวผูกไว้เอามาผูกเราหัดทํางานแม่เสืออยู่ในป่าก็มาขังไว้หัดทํางานดย์อันนี้หัดเจ้าของเอามาผูกเอาพุทโธพุทโธผูกไว้สุขวัต ใจเป็นเทวดาวันนี้หัดหยุดคิดเนี่ยถ้ามันไม่หยุดไม่ได้ก็มาเรียกพุทโธอินสอนเีงถ้าเราหยุดได้มันดีขึ้นอ่ะหยุดไม่คิดมันหยุดได้มันเป็นมันง่ายกว่าหัดไปหัดไปไปใจนี่ปล่อยไม่ได้เลยปล่อยให้ประทับไม่ได้มันให้นระวังรักษาอันนี้เราหลักวางย้อนผูกวันเหมือให้รักษาอยู่ตลอดเมื่อนร่างกายมันจะต้องหายใจให้มันอยู่ตลอดนอนอยู่ก็ต้องหายใจนั่งก็ต้องหายใจทํางานบัเห็นเกียเกียจเลยอันนี้ไป็นรักษายคของ อันนี้รักษาเราทำสมแล้วว่งด้ก่อนจะคิดท่พิจารณาเสียก่อนไม่ไดีก็ไม่คิดเราจะรักษาเรื่องบอกวิธีให้ hey, เลือกใจไม่เชื่อก็ลองดูคิดว่าจปะปปวดว่าเม่อยว่าหิวอ ล, ททททลองดูเราตรงนั้นมานื้อพุทโธพุทโธลองดูอมายดหยุดลองดูเลือกใจดวงปุพเพนันสอนนั่นคิดไปทังทุกข์ไป น, นกรกเอาเนื้อพุทโธพุทโธเราคิดเป็นคนก็ว่าเจ็บปวปวดว่าเมื่อยว่าหิว แล้วตอนั้นมาแล้วผู้ทโทรก็ดีเราคิดมาว่างไว้เย็นต้องดูหยุดไม่คิดลองดูเลือกใจเลือกเอาแล้วอาหารการกินก็ต้องเลือกเสื้อผ้าก็ต้องเลือกเป็นแล้วตอนนั้นเลือกใจเลือกเราภาษาบ้านเราทวนร่างกายเราทํามาแบบไหนรับแบบนั้นเราสร้างมาแบบไหนรับแบบนั้นดีจะให้ดีไม่ดีที่เราก็เห็นแสดงให้ดูพระธรรมอันนอ่าก้อนโรกก้อนทุกข์ก้อนเขี้บนนู้อ่าก็ความแก่ความเจ็บความตาย ออเดี๋ยวตอเราเรียกคืนได้อันนั้นตัวธรรมว่าหลวงปู่ฟันวาอย่าไปอยู่กับมันอยู่กับคนพระพุทธเจ้าอย่างน้อยนึกพุธพุธไม่ใช่อง้อนวอนวงสวงไม่ถูกเลยเป็นที่ระลึกเป็นที่อยู่ของใจเ่อนอนตั้งน้ำมแต่นอนนอนถึงคุณพระพุทธพระสรรมพะสงฆ์นอนยังไงมันจะโกรดนึกพุธพุธมันจะเครียดนึกพุธพุธพุธเข้ามาอ่าโดยสานั้นพระพุทธเจ้ากตัถทุกพระธรรมปฏิบัติกับพระสงฆ์ เพื่อเข้ามาเข้ามาเราหาวิธียุดแบบพุทโธพุทธะจริงๆพุทโธหยุดปั๊บเบื่อสะรู้กันอันนั้นเราจริงๆรักษาเรื่อบรกษาเราเลยแต่ว่ายังง่ายเลยรักษามนอนอยู่กับรักษาไปไหนก็รักษาหล่เราสอนั่งหัดรักษาไปเรื่อยมันดีหรอกนอนบ่รับกันพุทโธพุทโธใจเพลินเพลินใจเป็นเทวดาเลยไม่ทุกข์ไม่ยากเลยตายเป็นเทวดาเทวลาก็บมรบเมฆแก่มีเท่าดิแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนอีก เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดยิ่งดีแต่มันยากได้ไม่เกิดพูดภาษาง่ายๆแค่ได้เป็นเทวดาก็ยังดีใบ ส, สมบูรณ์สกปรกเป็นเทวดาก็ไ ง, ไงไา่ายๆพวกเรานี่รักษาเราแต่เป็นคนก็นไรทำงานมีเงินเดือนหมต้องข้าวสัตว์เราก็บอกกินเราหกก็ไม่เอ า, เอาพุทธใจให้ลอกืองไปเอา เ, อาเร า, าเท่าน้าแค่เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์นะมนุษย์ก็มาทุกข์มายาก เราโน้มารักษาใจนึกพวกเรก็เป็นเทวดาหรอกเป็นเทวดาย ou ยืนนั้นเหรไม่ทุกไม่ทุกไม่ยากเลยอายุหลายล้านปีแต่ก่อนเขาโกดหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปลงนรกไปเลยไปเจอได้ไหนเหมือนพวกเราเกิดมาเป็นคนยังบวยเสื้อบาปเสื้อบุญไปเสื้อฝรั่งเหยอตรงนั้นเรามันเมื่อมุนไม่บาปไม่เหมือนกันคนเราก็ไม่เหมือนกันทรัพย์ก็ไม่เหมือนกันเพราะบุญเพราะบาป ถ้าไม่มีบุญบากเสมอกันหมดเลยตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องนี่หมดตอนนั้นรักษาวันนี้รักษาต่อไปเราไม่สร้างอะไรไม่มีบุญไม่บาปหยุดไม่คิ ด, ไ ม, ดไม่เกิดหมดเล้วลวันนี้บอกวิธีให้บอกวิธีรักษาใจนะี่เรียกว่าประพฤติ ท, ทำให้เปรักให้รักษาอยู่ตลอดเลยถ้าเราไม่รักษาไม่ได้ด้วยเราคิดไปเองไม่ถูกอย่างจะไปโทษใคร ร่างกายมันก็แปลว่ามันถูกมันเจ็บมันปวดการงานก็เหมือนการเดินฟ่ า, ากาก็ไม่ได้สุขเลยทุกได้เราคิดไม่เป็นดิถ้าเราคิดเป็นเนี่ยโยตรงนั้นท่านนึกพุทโธพุทโธโมตอคิดบัตรนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพืเ พ, พินไปไหนเวียนไปไกลเลยบุญช่วยในเวลาถ้ามาเป็นคนมันตามอยู่ตลดอดเราเชื่อโลกก็ตามเหมือน กรรมภายนอกปุ๊บเนอะเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเอาไปกินเขามากินเราเป็นเป็นสัตว์ยิงระบาปปุ๊ตัวใหญ่กินตัวน้อยตัวน้อยกินตัวเล็กเชื่อโรคกินมันเองคนกินมันเองปุ๊บเนอะลราทุกขณะไหนเป็นสัตว์แล้วเป็นวัวเป็นควายปุ่บเนอะพวกเราเนี่ก็เชื้อโรคธรรมะกินเองปนอะกรรมภายนอกปุ๊บเนอะเนอะว่าน้ําท่วมน้ำไหกนกรรมจ้าของเเยอย่าว่าไปเชื้อฝรั่งว่าอยงนั้นว่าว่าทำมันซ่าไม่ได้ไปอยู่ไหนมันตามอยู่ดี อ่เกิดมาเป็นคนมันก็ตามอยู่ดิอ่พวกเราพวกเราในพวกน่ะสร้างบาปตกนรกมาแต่จากตนรกมาเป็นเจเป็นสัตว์เป็นอะไเป็นคนหมือนโนมันตามอยู่เลยไอ้เท่น้าท่วมกับเชนห้าห น, นั่นแหละอ่าฆ่ารักทรัพย์ตัวนั้นไอ้แกป่วยกับใคยไปฆ่าเขาขตัวนั้นน่ะเกิดมาเป็นบ้าบ่ายเจ้าเจกินเหล้านั่นแ่ะเมื่อตกนรกมามาันพลังได้เกิดมาใช้กรรมใช้เวรนี่นมัน เ, เป็นคนกันเลยอ่าะว่าไงมันตามอยู่ตลอด บัดนี้ยอยากไปสวรรค์บุต้องทำํำนึกพุโทธโธพุทโธเริ่ไปอยู่สวรรค์ง่ายๆเละยก็สําคัญให้เวื่อโทษนเสียาบัดเนี้จะไปสวรรค์บุตรนพวกเรานี่มีความรู้มทาทั้งทํางานอยู่ห้องแอร์ได้เงินน่ะผู้หญิงได้เงิ น, างงานเดือนอยู่เรานู้พอทํางานเป็นด้วอันนี้รักษาใจเป็นนอนอยู่บ้านนพุโทธโธพุทโธกลับไปบ้านเพื่ออะไรมาเคลียร์ป่วยมปวดมาเมื่อยมาหิวเพื่อเพลินหลับไปเตินเครื่องเอาอิฐรนะ ส, สวรรค์ตายมาขนาดนั้นก็ไปอยู่สวรรค์ เวลาเจ็บ <nước> ก oh, ้ได like, like, uh, ้ปวดแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธตัวนี้ยังเปลี่ยนนูนเปลี่ยนนี่เลยถ้าเรานึกพุทโธให้ขนืกอแหายหมดลยไม่เจ็บไม่ปวดเลยตายก็ไปอยู่สวรรค์นี่ไม่ใช่คง่ายถ้าโยนคิดไม่ใช่คง่ายไปไปอันพิมไมไม่กี่วันไม่กี่เดือนสัสให้นึกพุทโธพุทโธหมาก็ไม่เาหมไ่เฮาได้ใจเป็นเทวดาเลยมันก็ช่วยเลียนหมามันเห็นกูอ้อเทวดามาเนี่ยมันปต่ไมันถึงกันได้หด อ่าถ้าเป็นเป็นชายเรานี่ยห้ือผู้หญิงอย่างนี้เป็นนาลกเนี่ยไปเอาเพศก็ยังไปเอาสัตว์กระเอาคนก็บอกเอาหมดไปไหนนึกพุทโทผู้โธพุทโธเป็นเทวดาสกุลต่อไปหัดหยุดไม่คิดไม่เกิดหญิงดีแต่มันยากเลยจะเป็นแล้วมันง่ายจะเหมือนกับขับรถมันเป็นแล้วมันง่ายอันนี้ขับใจให้หยุดกระหยุดเหมือนเราขับรถเรียบเสียเรียบคว้าก็ได้เรียวให้เรียให้นั่งก็ได้อันนี้ขับใจก็ง่าย เอาตัวปัญญาตัวเดียวลนะ่ะให้หยุดก็หยุดให้คิดก็คิดเรื่องทุกเรื่องยากมันไม่คิดมันคิดเป็นประโยชน์ตัวไปมีแต่วความรู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดที่นอนเป็นอย่างนั่นที่นี่ใจคนเป็นกระรูปแม่หลวงปู่มันนั่นก็จะรู้หัวใจควรเบมันลึกรับได้ตัวเนี่ยไม่ใช่คนโง่เลยตัวหยุดเนี่ยตัวไปมันเป็นยามตัวปัญญามันเป็นยามเที่มันจะรู้หมด guys. ตัวไปหัดรักษาหรือวันนี้บอกวิธีบอกวิธีรักษาใจบอกวิธีแก้อาภาษาบ้านเราให้ เรียว่าประพฤติธรำต่อไปนี่เราจะรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขทางร่างกายเนี่ยต้องมาทํางานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายต้องทํางานเอาเงินเปลี่ยนจากเงินอีกไม่ต้องที่บา้านอันนี้ว่าบุญบุญคือความสุขใจเบื้อน้บุญเว้นโทษหน้ามานนะพุโธพุโธพุโธแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วตอนนั้นวันนี้เอาวิธีหาวิธีหยุดถ้าหยุดได้บุญเต็มเลยหยุดไม่คิดบอกวิธีง่ายวันนี้บอกวิธีรักษาใจบอกวิธีง่าย ่ทานท่้งจะเคยเอาเคยคุดเคยคุด่าเจ็บบ้าปวดบ้างมะไรรับประทังทานไว้ที่นี่เถอะไม่เอากลับไปกลับไปบอกวิธีให้เอาให้ทําเป็นทานมาก่อนเอาแต่ความสุขความสบายมีแต่ความรู้ความสัดเป็นคนไม่ทุกไม่ยากบอกวิธีให้ไม่ใช่หรอกให้อันม่ได้ให้ไม่ได้อะไสมบวกวิธีให้บนเดี๋ยวว่าจะไปรับพรกับพระมันใช่ตอนนั้นพระพระพระนะมันนัอยู่ในใจทั้งหมดมันเข้าไปอยู่ในใจทั้งหมด เราทำดก็เข้าไปอยู่ในใจเหมือนแม่เมล็ดมะม่วงหมื่แรงอะไรนี่ยมันหวานก็หวานอยู่นั่นมันเปรี้ยวก็เปรี้ยวอยู่นั่นน่ะมันออกผลอันนี้มันอยู่ในใจอย่าไปอธิฐานอย่าแบบนั้นอย่ได้ทําบุญไม่ได้เลยไปอยากไม่ได้เลยทําไปแล้วมันอยู่ในใจทั้งหมดทําง่ายเลยง่ายๆพรเพุ่ธเจ้าผลนุเพื่อนนั่งอยู่ในร่มโพได้สําแบบมาผลเพื่อนกระทานความคิดแล้วตอนนั้นเน่ะเพื่นกลัวใจนั่งไปบุญโน่นนั่งไปผลจะท้ายว่ ว่าที่การเดาลมหายใจว่านางทอรีีมาเรียกเมื่อผมไม่ใช่เลยอ่าใกล้จะถึงท่ามยวนจากนั้นเลยสิกลัวตายท่านก็ว่าความตายอยู่ที่ไหนโอ้ความตายอยู่ที่ลมหายใจลมเข้าไปไปออกมาก็้าไปออกไปแม่โอ้ยกลัวมันทําะไรผมพเพิ่นกระเพื่ยมแผ่นดินเรานั่งอยู่เนี่ยมันบมเห็นกลัวใครจะเขี้ยจะเนี้ยวันไม่ใช่พื่นางทอรณีไนีท่านทํากําลังใจท่าฝึกกําลังใจเอาถามไปมันได้เห็นกลัวอะไร แฟนดินมาเห็นกลัวอะไรแบบเราจะกลัวมันทาไมความตายอ่ะลมถามไปถามมาเขาว่าเขาเป็นลมไหมเขาไม่ได้ว่าเขาว่าเขาตายไหมเขาไม่ได้ว่าใครเป็นผัวพันสอบเข้ามาเลยใครเป็นผัวเนี่ยโอ้มันอยู่ตรงนี้เอเราคิดขึ้นมาเองหยุดปั๊บพดโทเพันตัดสิรูแบบนั้นบระพุทธเจ้าเราทำได้หรืก็พันตัดสิ ร, พรูพันที่สอนมาถ้าหยุดไม่คิดอะไรไม่เกิดหมดเรื่องพูดภาษาบัลลังก ทีนี้ในํารมลาบกเขาสามลมหายใจมันไม่ถูกว่านังทรงเลนีมาเล่ยไม่หอมมันจะมาเล่ยพญามารเป็นตัวเป็นคือมันนั่งนั่งอย่างพวกเราไม่เจ็บมันปวดเ่ี๋ยพญามารมันจะเลิกบอกนูมาหมดบอกว่าไม่เจ็บมันปวดพญามันไม่อยากเลิกเลท่านไม่เลิกเลยว่าทำไมธรรมลาเขาเขาว่าเป็นเป็นขึ้นสร้างขึ้นมันไม่ถูกเลยแบบนี้ธรรมลาบอกว่าท่านถวัยฤทธิ์ฤทธิ์มุตติ ที่แหงแหงแล้วจ็ดวันใครแม่ที่บาวเลยท่านเถวยวิสุวทติท่านทําไรไม่มีใครที่บ่าวมันเป็นทรานอนนี้ไม่อธิบายไม่เป็นมันนะส่วนอันนี้ก็ดูตรงนั้นอ่ะพวกพระย่าเนี่ยเขาแต่งในะังสือเขาเขเป็นเรื่องเป็นรนาวขึ้นมาเฉยๆท่านทําใจแต่ชนะทันยุดไม่คิดไม่เกิดหมดเรื่องที่สอนมาพวกภาษาบาลาวเขาว่าได้พฟังจะไม่เกิดอีกหมดเรื่อง ปัญหามาเกิดเป็นไงเกิดนรกมาเป็นเปรตเป็นตัดเป็นคนเป็นเทวดาอรูปปภมอรูปปภมยังเลื่อนขึ้นไปไม่ไม่ลงมาอีกเป็นเทวดาหมดบุญมาเกิดเป็นคนอีกทำบาปตกนรกได้เรื่องตรงนั้นบพรนั่มาเกิดมาเป็นคนหนุูเสื้อบุญเสีอบาปไม่มีน้อยศาสนาพุทธศาสนาอื่นมาุรื่ฝรั่งก็ไม่บุญหมอบินบุญไม่บาปเรื่องตรงนั้นรักษาบ้านี้บอกวิธีให้เทอบัดไปบอกวิธีรักษา อ่อย่าไปาาฟังเจ้าของคำว่าทำคือไม่ได้ฟังว่าฟังฟังทำคือดูใจไม่ใช่ดูให้ก่อนจะคิดตรงปิยันสังเกตรักษาใจเราจะคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีใคไม่คิดเรานึกพุโทโธพุโทโธมันดีไหมโอ้มันดีหยุดได้ดีไหมพยายามทําอยู่นะพยายามรักษาอยู่นะ เ, เรื่องทุกข์เรื่องอยากอย่าไปคิดก็จะคิดพิจารณาเที่ยวก่อนตัวนั้นเอาคิดไปเอง ร่างกายมันก็ไปแล้วว่ามันทุกข์มันยากยืนฟ่าอากายก็ไม่สุกข์เทุกขดิการงานก็เหมือนกันเราคิดให้มันเป็นแม่สอนเจ้าของธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปนึกพุทโธพุโธเริ่มบวชไปวชต่อไปหัดทานให้ทําเป็นทานเป็นข้างเป็นข่าวก็ดียุดไม่คิดนะได้เป็นข้างเป็นข่าวลองปู่พันมาเป็นคนเป็นคารวะนี่ได้เท่าสร้างพระหูแด้เบ้นก็ยังดีได้เคยเห็นได้สร้างพระหูและเบ้นเม็ดเดียวกระไร ถ้าทำหลับท่านรักษาได้ทั้งวันทั้งคืนนี่นั่ควรจะไม่เกิดอีกครูบายอาจารย์เป็นรักษาทั้งวันทั้งคืนคือจิตสงบก็เหลือแต่รู้ผู้ศาสนาบัดเดยวตรงนั้นมาวดลบหายใจไม่เกิดอีกบอกวิธีให้วันนี้ความทุกข์ความยากตามทิ้งเจ้าวั น, นี้เราเคลื่อนไหวปวดปวดว่าแม่ว่ารังผัสังว่าเอาไม่เอามากลับไปเด้อเอาแต่ความสุขความสบายไม่แต่ความรู้ความสลงเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้บอกวิธีรักษาใจ เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนําไปไปพึ่งปฏิบัติโดยความไม่ประมาทก็จะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทางปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาขอยุยติเอวังมีอะไรจะถามมั้งเนี่ยอะไรก็ได้แต่ขอมาสวรรนี่กันด้ไม่อะไรก็เมืมม่ อ, ร, อ, ร, อ ร, ร่วมกันนี่แหละจะมาสร้างโน่นสร้างนี่น ไ, 9, ไม่ต้องกล่าวอยากได้บุญหลายเลยพูดเมื่อกี้นี่เอ จะบอกอาศัยอาจารย์มั่เนี่ยอาจารย์มันไม่ได้ป็นหลายตัวอยากมันก็หลายทมด้วยความทมง่ายได้ง่ายจะบอกวิธีจะบอกวิธีให้เคยสอนคนมาฟังเดี๋ยดิทาง่านได้ง่ายมันจะอยู่ในใจงทั้งหมดเดี๋ยนี่ถ้าไปไปไปอยากมันบ่อยจะบอกวิธีให้อาใส่กรรมฐานครูบราอาจารย์สอนเรื่องนี้เขาไม่รู้เยอะด้วยเนี่ยทำง่ายทำง่ายทาด้วยความเต็มใจก็ถวายได้จะให้พรไม่ต้องกาว เราได้แล้วครับหลวงผู่พันธ์กันสอนเพื่อจะได้งินขึ้นศาลตะกอนอืมเป็นไงขึ้นศาลมันยากใช่ไหมถ้าน้อยธนาคารเอาไปกินหมด <c oughs> อันนี้ก็ทําง่ายได้ง่ายพระพุทธเจ้าเพิ่ง น, นั่งอยู่ต้นโพยังได้สาเร็จพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีใครสอนหลวงปู่พันธ์ได้สอนอันนี้ว่าสามหลวงปู่พันมาอลไรใครอยากได้บุญจะบอกดีไงทําง่ายได้ง่ายทํายากได้ยากถ้าทําทแบบนี้ต้องขึ้นศาลตะก่อน เพื่อจะไปเงินขึ้นสามเป็นไงบางทีทานายไปกินหมดบอ <c oughs> จะบอกวิธีให้แต่เนี้จะมาสอนเนี่อันนี้ได้มาเจ้าหลวงผู่ฟันไ่ไดยยน้นี่คาารูอาญาหลวงู่ฟันจะมาจากอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นทำทำแบบนั้นไ <c oughs> ม่เป็นทุกวันนี้มันมันสมัยใหม่ <c oughs> <c oughs> จะบอกวิธีให้จะมาสอสอนให้คนเขาไม่อยากเชื่อเนี่ยเดีวก็เขาจะง่วนประเทศที่ไหนมันมันไปขัดเขา <c oughs> อันนี้มันได้มาจากครูบาอาจอารย์เลยถ้าอาจารย์ฟันไปก็มมได้อยากจะำมั้งใครถวายก็ได้ใครจะสวายอคนไม่ถวายก็ไปน้อมมือเอานึกเอานใจเอาในใจเอายยต่อไปก็จะถวายพระใจลงปู่นะครับเราได้น้อมจิตน้อมใจนะครับเอาใครใครจะมาสวายเอยพวกนั้นก็ยกมือเอาเย็นเดีกับเขาก็ได้บน ถึงเอาไม่ทําอะไรบุญให้เย็นดีกับเขาถึงเอาไปทำกับเย็นดีกับเขาก็ได้บุญถ้าไม่เย็นดีมันไม่ได้ตรงนั้นแหละทําทด้วยความเต็มใจทําด้วยความเต็มใจให้บุญมันเต็มสำนั้นอย่าไปอยากถ้าไปอยากมันไม่เต็มได้ทำไปมันอยู่ในใจทั้งหมด โพเมื่อคืนนี้อยากได้บุญหลายทานห้าข้อนะอันนี้ได้อยู่ได้ความเพิ่มใจดีใจอยากเป็นมนุษย์ก็ทานห้าข้ อ, อนั้นมันจะไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปไปโกหกไปกินเหล้าไม่ไปเราจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มันนี่ทานความคิดเรื่องทุกข์เรื่องยากอย่าไปคิดคิดไปทั้งที่เดี๋ม น, นุษย์พุทโธพุทโธเป็นเทวดาประโยู่สวรรค์เอาต่อไปทานหมดความคิดไม่คิดอะไรเอหมดเรื่องไม่เกิดอีกแล้วบอกวิธีไง ให้ทำเป็นฐานสนานการให้ทั้งปวงบอกวิธีฐานได้ทุกการทุกเวลาเลยเพื่อความคิดเหล่ายึดไมคิดอะไรให้ทำเป็นฐานสนานการให้ทั้งปวงฮัดเอาเดีวัวหมดยึดไมคิดอะไรหมดเลยหลังนี้กูจะทานความคิดไม่คิดเลยียวออกเนี่ยกูเล่นเนมืองใส่มันอะไรจะไปจะ บ, บอกวิธีให้นะมาวันบอกวิธีสอน คนมาจากฟังเป็ดอันนี้ก็ได้หลักมาจากครูบาอาจารย์ท่านอยู่หลวงปู่ฟันอามาก็อยู่กับหลวงปู่ฟันยี่สิบหกปีปมดนะมาหัดทางนี้บวชมาก็หกสิบสามปีเลยฝึกสอนเจ้าของฝึกขัดขับรถไม่เป็นหลวงปู่เพราะผู้หญิงนี่ขับเป็นอันนี้อันขับใก ไม่ใช่เพื่อจะได้เขาถามว่ายุดได้กี่ปีโอ้มันมันไม่ได้ไม่แน่ได้ไปเรื่อยๆเมื่อกับหาเงินนี่เก็บไว้ไปเรื่อยๆมันค็นีขึ้นอย่ามาสอนไม่ได้ขับใจเหมขับใจง่ายๆพวกขับรถครับอ้าวแต้งใจลับพรอ้าวเข้าใจแต่บอกไปแค่นี้เพราะว่าทําใจสะอาดยุดในคิดมุ่จะเต็ม เน่าไปอยากเลยตอนให้พรยุดในคิดน่บุญมันเต็มอย่าไปอยากเลยเทวดาเฝ้าโพธิ์ทวาทําใจสะอาดแม่ที่หมายให้ขอฟังนี่สะอาดเลยแล้ <c oughs> วจะสะอาดยุดในคิดถ้าอยากมันไม่ได้เล้ยยุดมันเต็มบุญมันเต็มมันเต็มเต็มใจเราบอกวิธีให้เอาตั้งใจยยนะครับพรสภิเตโยวันตุสพโรโควนัตมาเตพวัตนตบรรดายโย สุขีทีขายยโภพวะอภพิวาธนาสีฤิธสนนจังุทธาปจเยโนยัตตะโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังใครมีอะไรก็ถามมาเัย